18. วิธีดูดีถ้าถามว่าดีคืออะไรก็ตอบว่าดีก็คือไม่เสียแต่ครั้นถามซ้ำอีกว่าเสียคืออะไรคำตอบก็จะบังเกิดเป็นสิ่งกวนโมโหว่าเสียคือไม่ดีสิผลที่สุดก็ได้ความเพียงว่าดีก็คือไม่เสียและเสียก็คือไม่ดีและทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่ได้เรื่อง เหมือนใครจะอธิบายลักษณะสัตว์2ชนิดว่าเป็ดก็ไม่ใช่ไก่และไก่ก็คือไม่ใช่เป็ดนี่เรียกว่าพูดไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องในเรื่องอื่นๆก็ไม่ถึงกับเสียเรื่องอะไรนักหนาเหมือนดูเขาเล่นจำอวดสองสามชั่วโมงไม่ได้เรื่องเด้ราวอะไรแต่ก็ได้นั่งหัวเราะยืดเส้นท้องทำให้กินได้นอนหลับพอเสร็จเรื่องไปได้บ้างเหมือนกัน แต่การที่ไม่รู้เรื่องดีเรื่องเสียนี้เป็นการเสียหายร้ายแรงนักเสียขนาดไม่เป็นเรื่องเอาทีเดียวเพราะเป็นความเสียที่มีผลโยงไปอีกไกลถึงกับข้ามชาติข้ามภพก็เป็นได้เพราะเมื่อไม่รู้แล้วก็ทำให้เกิดการหยิบผิดผสมผิดกอบโกยเอาความชั่วความเสียเข้ามาใส่ตัวเพราะสาคัญผิดคิดว่าสิ่งนั้นเป็นความดีการที่จะวินิจฉัยลงไปว่า อะไรดีหรือไม่ดีคนเรามักจะชอบเอาความพอใจของตนเองเป็นเครื่องวัดคือสิ่งใดที่ตัวชอบก็ถือว่าสิ่งนั้นดีและในขณะเดียวกันก็คิดว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ตนชอบนั้นเป็นเรื่องไม่ดีการที่เราเอาความพอใจของตนเข้าไปเป็นเครื่องตัดสินอย่างนี้เป็นวิธีที่มินต่ออันตรายมากและเอาเป็นแน่นอนไม่ได้ไม่ต้องพูดอื่นไกล และเรื่องนานาจิตตังแม้แต่ตัวเราเองคนเดียวใจเดียวแทๆ้ๆสิ่งที่เราพอใจก็ยังเปลี่ยนไปแทบจะตามไม่ทันเมื่อยังเป็นเด็กทารกเราเห็นว่าลูกโป่องอัดลมที่เขาเร่ขายหน้าร้านขายทองมันเป็นของดีมีค่ายิ่งกว่าราคาทองในร้านทั้งหมดรวมกันเสียอีกแต่พอโตขึ้นเห็นเดือนเห็นตะวันนานๆเข้า เรากลับเห็นว่าทองดีกว่าลูกโป่งและไม่อยากจะเชื่อเสียด้วยซ้ำว่าเมื่อไม่นานมานี้เองความเห็นเราได้วิปริตไปมากมายจนเห็นว่าลูกโป่งดีกว่าทองคำอย่างนั้นที่ว่ามันนั้นเพียงคนเดียวใจเดียวถ้ายิ่งหลายคนหลายใจก็ยิ่งไปกันใหญ่สิ่งที่ว่าดีนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปมากจนไม่มีที่สิ้นสุดหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ เพราะความพอใจของปุถุชนเรานี้มันเกิดขึ้นอยู่กับอารมณ์แม้ว่าจะเอาความพอใจของหลายๆคนเข้าตัดสินในบางกรณีก็หาความถูกต้องได้ยากหรือไม่ได้เอาเลยทีเดียวถ้าสมมติว่าครอบครัวหนึ่งมีคนในครอบครัวอยู่5้าคนเป็นพ่อกับแม่และลูกๆอีกสารวมเป็น5อยู่มาวันหนึ่งพวกลูกทั้ง3เกิดอยากจะเกไม่ยอมไปโรงเรียน และรวมหัวกันคัดค้านระบบที่จะต้องให้เด็กๆเรียนหนังสือทางฝ่ายพ่อแม่ก็จะไม่เห็นด้วยทั้งปลอบทั้งขู่จะให้ไปโรงเรียนตกลงว่าเด็กกับผู้ใหญ่ขัดแย้งกันแม้ว่าจะให้คนทั้งครอบครัวออกเสียงลงคะแนนข้างเด็กก็ต้องชนะวันยังคำ่ำนี่แหละที่ข้าพเจ้าว่าการเอาความพอใจเข้าไปวินิจฉัยให้รู้ผิดรู้ถูกยังไม่เป็นการเพียงพอ ทางศาสนาท่านมีอีกอย่างหนึ่งคือเอาเหตุกับผลเป็นเครื่องวัดการทำอะไรใช้เหตุผลเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะก็คือเหตุผลที่เป็นจริงนั่นเองพระพุทธศาสนาจะวินิจฉัยลงไปว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีจะต้องเข้าไปดูให้ถึงเหตุผลของสิ่งนั้นถ้าเหตุดีผลดีสิ่งนั้นดีถ้าเหตุชั่วผลชั่วสิ่งนั้นชั่ว บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจชัดว่าพิจารณาเหตุผลนั้นพิจารณาอย่างไรโปรโดนึกถึงข้อเปรียบเทียบต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าถ้าใครเอาแกงมาให้ท่านสักชามหนึ่งที่เสียว่าแกงเนื้อทีนี้ท่านจะวินิจฉัยว่าแกงชามนี้ดีหรือไม่ดีท่านก็จะมีจุดที่จะหยิบขึ้นมาพิจารณาอยู่สองจุดคือหนึ่ง พิจารณาถึงส่วนประกอบแกงชามนั้นว่าคนแกงเขาใส่อะไรลงไปบ้างสิ่งเหล่านั้นเป็นของดีหรือเสียและ2พิจารณาล่วงหน้าไปว่าเมื่อกินแกงชามนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ้วนพีมีกำลังหรือผอมโซล้มตายไปการพิจารณาย้อนหลังไปดูส่วนประกอบในข้อหนึ่งนั้นเรียกว่าพิจารณาเหตุ การพิจารณาล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในข้อ2เรียกว่าพิจารณาผลถ้าเหตุดีผลดีก็วินิจฉัยว่าดีถ้าเหตุชั่วผลชั่วก็วินิจฉัยว่าเสียการกระทำของคนเราก็เหมือนกันจะให้รู้ดีรู้ชั่วกันจริงๆต้องตัดสินกันด้วยเหตุและผลไม่ใช่เอาความพอใจเป็นใหญ่แต่การที่จะเข้าถึงเหตุผลได้นั้นจะต้องวางสิ่งหนึ่งลงได้ก่อน คือความเห็นส่วนตัวหรือเห็นแก่พวกของตนถ้าเอาความเห็นแก่ตัวเข้าบาังหน้าแล้วร้อยปีก็ไม่เ ห, เห็นเหตุผลที่แท้จริงและผลที่สุดก็เห็นอยู่สิ่งเดียวจนตายคือเห็นแก่ตัวก็ปฏิบัติของคนเห็นแก่ตัวก็อยู่แค่ว่ากราบตัวเองบูชาตัวเองไหว้ตัวเองปฏิบัติตัวเองหาใช่ผู้กราบไหว้บูชาพระธรรมไม่